เอ่อท่านสาธุชน 13 ธันวาคม 2533 ความเพียงเดือน แต่ความเจ็บอาการต่างๆก็ดีขึ้นมากแต่ เมือกถ้าท้องไม่ดีก็ทำให้คอไม่ดีไปด้วยหนักของหากถ้าท้องไม่ดี อาตมาเกือบจะสิ้นชีพทุกครั้ง 3-4 วันเดินไปไหน แล้วอย่าได้ไปไหนถ้าว่าท่านอ่านธรรมวิโมก เพราะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความจําเป็นต้อง ยายตัวหมอลานไรไรไรไร 25 ไร่บริเวณ 100 เมตรโหจิปาถาไปหมดก็ มีท่านผู้หนึ่งท่านบอกว่าท่านเคยเป็นเคยเป็น ฟังให้ท่านพูดจบท่านก็พูดว่าในตํานานที่ อยากจะเนี่ยที่สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาเมื่อเดือนพฤศจิกายนท่านมาท่านมาเลย ท่านมีความรู้สึกเมื่อวันเมื่อจะพฤติกาโยธธาตุกฐินเนี่ยศาลา 12 ไร่นี่ไม่พอนั่งนะชั้นในนี่ 12 ไร่ มันเป็นความลําบากอาตมาไม่ได้มวยไม่ได้บวชหมอเพื่อการก่อสร้างแต่ก็มีความจําเป็นใน แล้วก็คนจริงๆ12 ไร่เนี่ยซื้อราคา 100 บาทเออขอโทษโทษซื้อราคาล้านบาทเสร็จเท่านั้นเองเสร็จเพื่อให้ทําการ มันก็เป็นของล้ําบากแต่ทั้งเมื่อญาติโยมให้สตางค์มาก็ต้องทําถ้าไม่ แล้วแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งสร้างโรงเรียนที่จะต้องใช้ท่านก็ซื้อ เรียนการเคลยหายชาจบมาจาก แต่ว่าความจริงก็ไม่ สามนักเรียนที่เข้ามาเรียนแจกเสื้อแจกกางเกงแจกหนังสือแก่นัก <c oughs> 2 ปิย 3 อัตถจริยาช่วย 4 ไม่ถือตัวไม่ 2 นัก 5 กับ 10 ครบ ในการนี้ 3 นักเรียนที่มาเรียน แต่ความจริงการให้เธอได้เธอจะส่งไว้ได้หรือไม่ได้นั้นไม่สําคัญแต่แต ให้เงินมาเพื่อสร้างโรงเรียนด้วยเงินจํานวนใหญ่ที่สร้างโรงเรียนๆเท่านั้นแหละมีให มีสองสามรายสอดทําราย 10 บาทส่วน 10 บาทมาทําบุญกันแล้วก็ต่อมาทุนของนักเรียน คือให้ทุนถึงบัณฑิตเอกจะให้ทุนตั้งแต่ ม.1 มาจากมาเข้า ม.1 ม.2 ม.3 นี่ไม่รับอันนี้เมื่อดูจิตใจของนักเรียนเวลาที่เข้าไปเรียนเข้า เวลานี้ก็มีนักเรียนเข้าเข้าเรียนทุนปัญญาตรีได้ทุนญาติ 22,000 บาทต่อ 4 ปีก็ 72,000 บาทก็แล้วกันถ้าใคร 1,500 บาท 4 ปีก็ 72,000 บาทท่านปริยา 2,000 บาทท่านปริยาเอกจะให้เดือนละ 3,000 บาทให้เป็นเดือนๆตํารับเป็น ถ้าปฏิบัติดีแม้ครบตาม ไม่ใช่คนที่มานั่งคล้ายๆคันปริญญาเอกนี่ยังมีความรู้น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาพูดเพราะอะไรเพราะก่อนที่จะพูดมันน่าจะถามงั้นก่อนแต่ถ้าอดีตรัฐมนตรี ต่อหน้าคุณหมอหลายๆคนที่แล้วนั้นก็นั่งก้มหน้าเคียร์เสือก่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตร ก็ 9 มา 9 ไอ้การนั่งอ่านแบบนั้นน่ะ 9 เป็น พีทนรกไม่รู้จักถึงกันพระน่ะเป็นที่พึ่งของประชาชนชื่อว่าพุทธังสนังขามิ เมื่อเข้ามาหาเราเราพยายามให้สุขกับเขาตามสุขคน บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอยาก เอาว่าท่านมี ถ้าเวลาที่เราไม่มีจะกินเค้าก็พูดในฝั่งว่าทําอย่างนั้นทําไม่ทําอย่า ถ้าจะถามว่าพระที่ แห่งจังหวัดปทุมธานีบ้านพุทธประทานเวลานี้ท่านอยากให้เจ้าตัวแล้วให้เขียนพิมพ์แจกท่านลงทุนเองแต่ว่าเงินวัดได้ท่าน เมื่อๆนอนกัน 4 20 บาทงบประมาณว่าสามีจะใช้ 60 ล้าน ใช้ 4-5 ปีนี่ 3 และ 6 เขาแนะนําท่าน ถ้าหากว่าท่านอยากจะทราบ โดยพ่ออย่างยิ่งท่านผ่านวิสุทธิมรรคมา หรือสร้างภาวะพิเศษมาบ้างบางคนก็บอกว่าสะกดจิตบ้างไอ้ ก็สอนกันตามที่พระพุทธเจ้าเจ้าสอนว่า ไอ้การพูดประเภทนี้บรรดาไทยพุทธบริษัทเขาเรียกกันว่าพูดแบบก็มีชีวิตอย่างสัตว์นรกตายไปแล้วก็ลง ถ้าหากว่าเขาจะไม่เป็นสรรพนรกจริงเขาจะต้องใช้ปัญญา แล้วๆเหมือนกันทั้งบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ใช้พระพุทธศาสนาเป็นบันไดหาวิชาความรู้เรียกว่า เคร่งครัดมัธยัสถ์อย่างนี้ก็มีมากท้าว แล้วก็ฝึกทุดงต้องการความจริงตามพระพุทธศาสนาพอ พอวันเริ่มบวชก็เริ่มปฏิบัติในวันนั้นทันทีเข้า ก็ปรากฏเห็นโอ้รูปองค์องค์องค์ๆจิวรจิวรเหลืองกว่าเนื้อมหาพุทธ ท่านให้เห็นทั้งหลับตาและลืมตาแล้วต่อมาก็ขอพรท่านบอกว่าอย่าจะท่องเที่ยวไปในสอนนรกท่าน หนังสือเนี่ยเขาเขียนผิดจุดจุดนึงคือคําว่า ท่านถามว่าสามารถจะทําได้มั้ยก็เลยกลับไปท่านบอกว่าถ้าทุกอย่างท่านตรัสจะทําทุกอย่างให้ถึงที่สุดเพคะเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ออกทุโดงให้ฝึกทุโดงกับอาจารย์คือน้องพ่อปานพ่อปาน ก็กราบเรียนให้ว่าเวลานี้กําลังศึกษาอยู่แล้วพวกท่านก็เลยบอกว่าถ้าศึกษาถ้าทูลวาจาอาจารย์แนะนําแบบไหนให้ทําแบบนั้นต่อจากนี้ไปให้ ซึ่งมีความชํานาญดีแล้วการทุรดงมี 2 อย่างคืออย่างธรรมดากับ ถ้าพรากมันอะไรก็ตายมา 3 วันใน 3 นี่ก็ เธอก็กลายเป็นเทวดาทันทีท่านก็ยิ้มให้ต่อพระจีนถูกต้องฉันก็สารฉันเห็นว่าพวกเธอทั้ง 3 องค์ ดีแล้วก็ท่านมาให้เห็นว่าท่านมาสอนให้แล้วก็ท่านมาให้เห็นก็จึงนึกในใจว่านับตั้งแต่บัดนี้ ก็ว่าใช้ไม่ได้หมดก็ไม่ได้บางบางจู่ก็ใช้ได้หมดบางชันบาง ว่าคนนี้เค้าเคยได้ประริญ 9 ประโยค ก็ไม่ทราบว่าเวลามันไปถึงไหนแล้ว